พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ไม่มีคำสอนอันใดในโลกนี้ที่จะเสมอเท่าได้เพราะไม่มีคำสอนอันใดในโลกนี้ที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ ไม่สามารถสอนให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถสอนให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุที่ไม่มีใครรู้มาก่อนก็คือสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งปวงสภาวธรรมทั้งปวงคือสรรพสิ่งทั้งหลายรวมทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนั้น ไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวใครของใครทั้งนั้นทุก ส, สิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มาจากธาตุสี่คือดินน้ำหลงไฟถ้ามีชีวิตมีความรู้สึกรับรู้ก็มีธาตรู้ผสมเข้าไปด้วย เช่นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานนี่ร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี่มีดินน้ำลมไฟเป็นส่วนผสมกันประกอบกันขึ้นมาให้มีอาการส2สองเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วก็มีาธาตุรู้ คือใจมาเป็นผู้ครอบครองเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วก็อยู่ร่วมกันไปจนร่างกายหมดสภาพธาตุทั้งสี่ที่รวมตัวกันเป็นร่างกาย ก็จะแตกสามัคคีจะแยกกันกลับคืนสู่ที่เดิมของธาตุทั้งหลายธาตุน้ําก็กลับคืนสู่ธาตุน้ําธาตุลมก็กลับคืนสู่ธาตุลมธาตุไฟก็กลับคืนสู่ธาตุไฟธาตุดินก็คืนสู่ธาตุดินธาตุรู้ก็ธายัง มีความปรารถนามีความอยากที่จะใช้ร่างกายก็จะไปรวมกับร่างกายอันใหม่ไปร่วมกับร่างกายอันใหม่ที่ก่อตั้งอยู่ในคันของมารดาแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานใหม่นี่คือสิ่งที่ ทำให้ธาตุรู้นี้มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็เพราะว่าธาตุรู้นี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองกลับมาครอบครองนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของตนได้มากี่ร่างกายก็จะต้องเสียไป และการจะเสียร่างกายไปแต่ละครั้งก็เกิดความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากพระพุทธเจ้าทรงไม่ปรารถนาที่จะต้องมีการจากร่างกายไม่ปรารถนาที่อยากจะให้ร่างกายของพระองค์นั้นต้องแก่ลงไปต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและต้องตายไป จึงมีความทุกข์ทรมานใจกับเรื่องของร่างกายจนไม่อยากที่จะมีร่างกายก็เลยทรงศึกษาด้วยการออกบวชเพราะว่าถ้าไม่ได้ออกบวชจะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาความจริงของร่างกายและความจริงของใจ ว่าทำไมจึงจะต้องมาเจอกันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าเวลามาเจอกันแต่ละครั้งก็ต้องมาพบกับความทุกข์ของร่างกายร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเรื่อยๆจึงอยากจะรู้ว่ามีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ใจไม่ต้องมาพบกับร่างกายไม่ต้องมาพบกับความแก่ ไม่ต้องมาพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องมาพบกับความตาย <Yeah. S 1> พระ อ, องค์จึงพยายามศึกษาดูสิ่งที่ทำให้พระ อ, องค์ต้องมีความทุกข์ <Yeah. S 1> ก็คือร่างกายว่าทำไมพระ อ, องค์จึงต้องทุกขกับร่างกายของพระ อ, องค์เอง yeah. ทาไมร่างกายของผู้อื่นซึ่งเป็นเหมือนกัน มีอาการ32เหมือนกันมีอาการ32มีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทำมา จ, จากดินน้ำลมไฟเหมือนกันทำไมเวลาร่างกายของคนอื่นที่ไม่รู้จักเวลาเขาตายไปทำไมใจเราไม่สะเทือนใจเราไม่เดือดร้อน ใจเราไม่ทุกข์แต่ร่างกายของตนเองกับทุกข์ก็ทรงเปรียบเทียบดูก็เห็นความต่างกันว่าร่างกายของตนนี้เพราะถือว่าเป็นของตนนั่นเองร่างกายของผู้อื่นใจไม่ได้ถือเป็นของตนเมื่อไม่ได้เป็นของตนเวลาเป็นอะไรไป ก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์แต่เวลาอะไรที่เป็นของตนเป็นไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ทรงเห็นว่าความเห็นที่ไปเห็นว่าร่างกายและสิ่งต่างๆที่มีที่ตนมีอยู่นี้ที่ตนครอบครองอยู่นี้ว่าเป็นของตน ด้วเป็นตัวของตนเองเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นตนเป็นของตนเองก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าร่างกายที่ทรงคิดว่าเป็นของตนนั้นก็ไม่ได้เป็นของตนอย่างแท้จริงถ้าเป็นของตนอย่างแท้จริง ก็จะต้องอยู่กับพระ อ, องค์ไปเรื่อยๆอะไรที่เป็นของเราก็ต้องอยู่กับเราถ้าไม่เวลาไม่อยู่กับเราเราก็ไม่เรียกว่าเป็นของเราแล้วดังนั้นพระ อ, องค์จึงพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่พระ อ, องค์ทรงครอบครองอยู่เช่นร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นของพระ อ, องค์เพราะว่าพระ อ, องค์ไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับ ให้อยู่กับพระองค์ไปได้ตลอดก็เลยสรุปว่ามันไม่ใช่เป็นของตนถ้าไม่ใช่เป็นของตนก็ปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดถ้าปล่อยวางมองร่างกายของตนเหมือนกับมองร่างกายของผู้อื่นเวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของตนก็จะไม่ทุกข์ พอเวลามองร่างกายของผู้อื่นเวลาเป็นอะไรไปเราก็ไม่ได้ไปทุกข์กับร่างกายของผู้อื่นพรองจึงสรุปได้ว่ า, าร่างกายและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นจิตแต่ละดวงใจแต่ละดวงที่มาครอบครองนั้นเป็นเจ้าของเพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่ใจแต่ละดวงที่มาครอบครองนี้กับมีความปรารถนาที่จะให้สิ่งที่ตนเองได้มาครอบครองนั้นเป็นของตนไปตลอดแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงนั้นเป็นของที่มีการมาและมีการไปเป็นธรรมดา มีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของผู้ใดทั้งนั้นถ้าเราสังเกตดูเวลาที่เราไม่ไปถือว่าเป็นของเราเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นแต่พอเราไปถือว่าเป็นของเราแล้วเราจะมีความทุกข์ตามมาทันที เช่นรถยนต์ถ้ายังอยู่ที่ในในร้านขายรถยนต์อยู่มันจะเป็นอะไรเราจะไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนแต่พอเราซื้อมาเป็นของเราแล้วพอมันเป็นอะไรขึ้นมาเราจะเดือดร้อนขึ้นมาเพราะเราไปยึดไปถือว่าเป็นของเราพออะไรเป็นของเราเราก็อยากจะให้มัน ดีไปตลอดไม่อยากให้มันมีความเสื่อมไม่อยากให้มันมีปัญหาต่างๆแต่สิ่งต่างๆนั้นมันไม่มีอะไรที่ดีไปตลอดมันจะดีช่วงใหม่ๆและหลังจากนั้นไม่นานมันก็จะเริ่มไม่ดีจะเริ่มมีปัญหาต่างๆตามมา ถ้ามีความอยากให้มันดีก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามันเป็นของที่มีการเจริญแล้วมีการเสื่อมมันเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอ ถ้าเราอยากจะไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เราครอบครองอยู่เราก็ต้องสอนใจว่าไม่ให้ไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นของเราให้คิดว่าเป็นของที่อยู่มาแล้วจะสบายใจหรือให้คิดว่าเป็นของคนอื่นเช่นรถของบริษัทนี้เราใช้เราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ เวลามันเสียหรือเวลามันเป็นอะไรไปแต่ถ้ามันเป็นรถของเรานี้เราจะกังวลเพราะว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่รับภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษาแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานั้นเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขา เป็นไปตามความต้องการของเราได้เราก็ต้องปรับใจของเราให้อย่าไปมีความต้องการที่เหนือกว่าที่เขาจะสามารถเป็นไปได้ <c oughs> คือเมื่อเรามีอะไรเราต้องเตรียมจะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความเสื่อมที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็น สิ่งของต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วย่อมมีการเสื่อมลงไปเป็นธรรมดาและมีการสิ้นสุดลงไปเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถที่จะไปห้ามได้ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้ อำนาจของจิตแต่ละดวงที่มาคอยควบคุมที่มาครอบครองไม่สามารถที่จ ะ, ะควบคุมบังคับให้ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ให้มีการเสื่อมได้ความทุกข์ของจิตแต่ละดวงนี้เกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าสามารถที่จะควบคุมบังคับสิ่งต่างๆ ที่ตนมีครอบครองอยู่ให้เป็นไปตามความต้องการของตนพอมันไม่สามารถอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับได้ก็เกิดความทุกข์ใจเสียใจนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงค้นพบและสามารถทำให้พระองค์ทรงปล่อยวาง ร่างกายได้ทรงไม่ปรารถนาทรงไม่ต้องกลับมามีร่างกายได้เพราะเห็นด้วยปัญญาว่าการมีร่างกายนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขและทรงค้นพบว่าต้นเหตุของการมีร่างกายก็คือการอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆนั่นเอง พวกเรามีร่างกายเพราะเราอยากจะมีตาไว้ดูรูปมีหูไว้ฟังเสียงมีจมูกไว้ดมกลิ่นมีลิ้นไว้ลิ้มรสแล้วมีร่างกายไว้สัมผัสความรู้สึกหนาวเย็ยนอ่อนแข็งต่างๆเมื่อเราได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้เราก็เกิดมีความสุขขึ้นมาแต่มันเป็นความสุข ที่ชั่วคราวเท่านั้นเป็นความสุขชั่วที่เราได้เสพได้สัมผัสแต่เวลาที่ไม่ได้เสพไม่สัมผัสเราก็จะมีความรู้สึกว้าเหวเศร้าส้อยงอยเหงาเพราะว่าเราไม่ได้เสพสิ่งที่เราอยากจะเสพนั่นเองความรู้สึกเศร้าส้อยงอยเหงาว่าเหวนี้เกิดจากความอยากที่จะเสพ รูปเสียงกลิ่นรสผลธธภตภะต่างๆและเหตุที่ทําให้เกิดความอยากก็คิดว่าการได้เสพนั้นจะเป็นความสุขนั่นเองแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปเวลาหมดไปความสุขนั้นก็หมดไปความทุกข์ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว ก็จะกลับมาแทนที่เสมอนี่เป็นเพราะว่าไม่รู้ว่ามีความสุขอีกแบบหนึง่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบผู้ที่ ออกบวดนี้เขาเป็นผู้ที่รู้หรือได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับความสุขแบบนี้คือความสุขทางจิตใจความสุขที่เกิดจากความสงบและการที่จะทำให้ใจสงบได้ก็ต้องสละความสุขทางร่างกายไปเพราะว่าความสุขทั้งสองส่วนนี้อยู่กันคนละด้าน เหมือนความมืดกับความสว่างถ้าต้องการความสว่างก็ต้องอดับความมืดจะให้มีความมืดกับความสว่างไปพร้อมๆกันไม่ได้หรือจะให้มีความร้อนกับความหนาวนี่เป็นไปพร้อมๆกันไม่ได้ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่มืด ถ้าสว่างก็มันก็จะไม่มืดถ้ามันมืดมันก็ไม่สว่างอย่าใดความถ้ามีความสุขทางร่างกายก็จะไม่สามารถมีความสุขทางใจได้ถ้าอยากจะมีความสุขทางใจก็ต้องสละความสุขทางร่างกาย <1> 1> ผู้ที่ได้พบกับความสุขทางใจก็จะรู้ว่าเป็นความสุข ที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายและเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมไปเหมือนกับความสุขทางร่างกายเพราะใจนี้ไม่ได้เสื่อมไปเหมือนกับร่างกายใจนี้สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีร่างกายร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ยังสามารถที่จะ สร้างความสุขทางใจได้ตลอดเวลาส่วนความสุขทางร่างกายนี้ก็จะได้เฉพาะช่วงที่มีร่างกายช่วงที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่ช่วงที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงที่ร่างกายพิกลพิการไปหรือแก่ชราลงไปการจะหาความสุขผ่านร่างกายก็จะไม่สามารถทำได้ เมื่อไม่สามารถทำได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจนักปราชญ์ทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าจึงสละความสุขทางร่างกายแล้วมุ่งไปหาความสุขทางใจว่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายที่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้อยู่คู่กับ ใจไปได้ตลอดร่างกายนี้อยู่ได้ประมาณร้อยปีเป็นอย่างมากก็ต้องหมดสภาพไปแต่ใจนี้อยู่ไปไม่มีวันสิ้นสุดดังั้นการไปสร้างความสุขบนสิ่งที่มีอายุร้อยปีมันก็จะได้แค่ร้อยปีแต่ถ้ามาสร้างความสุขบนสิ่งที่ไม่มีวันไม่มีวันสิ้นสุด อยู่กันเป็นล้านล้านล้านล้านปีตลอดอนันตการสู้เอาความสุขแบบนี้ดีกว่าการที่จะหาความสุขอันนี้ก็ต้องเห็นว่าความสุขต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนัตตาเป็นความสุขที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นของเราไปได้ตลอด เป็นของเราได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองนี่คือเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงสละพระราชสมบัติทรงสละความสุขทางร่างกายไปเพราะทรงเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะความสุขที่ได้มันเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ยึงทรงแสวงหาความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็ความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบการจะทําใจให้สงบก็จําเป็นที่จะต้องควบคุมกายวาจาให้สงบและควบคุมใจให้สงบใจถึงจะสงบได้ การกระทำที่ทำให้กายวาจาไม่สงบก็คือการกระทำบาปต่างๆเวลาทำแล้วก็จะทำให้เกิดมีปัญหาต่างๆตามมาถ้าไม่ทำบาปก็จะไม่มีปัญหาต่างๆจะไม่ทำให้มีความรู้สึกวุ่นวายใจตามมาเวลาทำบาปเช่นไปฆ่าผู้อื่นนี้ใจจะไม่สงบ ใจจะวิตกกังวลเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปลดโกหกหลอกลวงการกระทําเหล่านี้อาจจะได้ประโยชน์คือได้สิ่งที่ตนอยากได้แต่ก็ได้โทษที่ตนเองไม่รู้สึกว่าได้ก็คือความวุ่นวายใจความไม่สบายใจและ อาจจะได้ปัญหาต่างๆตามมาอีกด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาความสุขทางใจนี้จำเป็นที่จะต้องไม่กระทำเพราะถ้ากระทำแล้วจะทำให้ใจวุ่นจะไม่สามารถที่จะไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ผู้ที่อยากจะทำใจให้สงบ จึงจำเป็นที่จะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์คือต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ไม่พูดปดโกโหกหลอกลวงและไม่เสพสุรายาเมาเพราะการกระทํำเหล่านี้จะทําให้ไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้อันนี้เป็นการ การปฏิบัติเบื้องต้นถ้าอยากจะปฏิบัติให้ลกขึ้นไปสูงขึ้นไปคือให้มีความสงบมากขึ้นก็จาเป็นที่จะต้องเพิ่มจากศีลห้าเป็นศีล8ดศีลห้านี้ก็พอช่วยได้ในระดับหนึ่งช่วยให้นั่งสมาธิได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากอาจจะได้วันละครั้งสองครั้งเป็นอย่างมาก เพราะว่ายัางมีกิจกรรมอย่างอื่นที่จะต้องไปทำเช่นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆหรือด้วยการไปดูไปฟังมหรสพต่างๆอันนี้ก็ถ้าอยากที่จะกําจัดกิจกรรมเหล่านี้เพื่อที่จะได้มีเวลามาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น ผู้ปฏิบัติก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มการรักษาศีลให้มีเพิ่มมากขึ้นคือให้ถือศีล8แทนศีลห้าเพื่อจะได้เบรกรือหยุดกิจกรรมต่างๆที่จะเอาเวลาของการมานั่งสมาธิไปเช่นศีลข้อสที่ไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีก็จะต้องเป็นอ บ, บ ร, รมจริยาคือให้ซื้อ ศีลปมจันคำว่าปรมจรย์ก็คือไม่ให้ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ให้หาความสุขจากการเสพกามอยากกับผู้อื่นกับกับสามีกับภรรยากับคู่ครองของตนถ้าถือศีลข้อสถ้าถือศีลห้านี้ศีลข้อสก็ยังสามารถที่จะร่วมหลับนอนแต่ต้องร่วมหลับนอนกับ บุคคลที่เป็นคู่ครองของตนเช่นสามีหรือภรรยาของตนเท่านั้นไม่ไปร่วมหลับนอนกับบุคคลอื่นเพราะว่ามันจะมีปัญหาตามมาได้แล้วก็เพิ่มสีลข้อ6ศสีลข้อหกก็คือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะการที่จะ ทำใจให้สงบนี้ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารมากเกินไปรับรับมากไปแล้วจะทําให้เกิดความง่วงเหงาเหงานอนและจะทําให้ต้องเสียเวลาในการปฏิบัติเพราะกว่าจะได้ปฏิบัติก็ต้องรอให้รับประทานอาหารมื้อเย็นเสร็จก่อนการปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถึงจะดีถ้าปฏิบัติ เดียวเดียวแล้วก็กลับมารับประทานอาหารอีกมันก็จะเหมือนกับว่ารถรถไฟที่ต้องคอยจอดตามสถานีบ่อยๆมันก็จะวิ่งไปไม่เร็วเท่ากับรถรถด่วนคือไม่ต้องจอดตามสถานีต่างๆการรับประทานอาหารนี้ก็รับประทานเหมือนกับเป็นการเติมน้ำมันรถยนต์ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ เรารับประทานอาหารก็เหมือนกับเราเติมน้ำมันให้กับร่างกายถ้าเราอยากจะวิ่งโดยที่ไม่ต้องจอดบ่อยๆเราก็เติมมันหนเดียวเติมให้มันเต็มถังไปเลยเติมครั้งเดียวก็พอจะได้วิ่งไปได้ไกลๆและเร็วไม่ต้องมาเสียเวลาคอยแวะจอดเติมอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ถือศีล เส้นเส้นแปนี้ก็อาจจะรับประทานวันละสี่ห้าครั้งก็ได้เดี๋ยวพออยากจะกินอะไรก็กินกินแล้วเดี๋ยวสักพักก็อยากจะกินอีกก็กินเวลาที่จะเอามานั่งสมาธิก็จะไม่ติดต่อกันดงนั้นการอยากจะนั่งสมาธิให้จิตมีความสงบมากๆให้มีความสงบนานๆ น, นี่จําเป็นจะต้องอ รับประทานอาหารน้อยๆถ้ารับประทานวันละครั้งได้ยิ่งดีถ้าอย่างน้อยก็ไม่อย่างมากก็ไม่ให้เกินหลังเที่ยงหลังเที่ยงไปแล้วเพื่อที่จะได้มีเวลาปฏิบัติไปจนถึงเวลาหลับนอนได้ถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็จะรับประทานอาหารบ่ายรับขนมอาหารว่างก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็ตอนค่ําก็รับประทานอาหารค่ำอีก กว่าจะเสร็จก็หลายเข้าไปสองสามทุ่มเดี๋ยวก็ง่วงนอนแล้วแทนที่จะได้นั่งสมาธิก็จะไม่ได้นั่งและเวลานอนก็ยังไปนอนบนผูกหนาหนาหรือไปนอนกับแฟนกับสามีกับภรรยา <c oughs> ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการปฏิบัตินั่งสมาธิทำใจให้สงบทำได้ก็อาจจะ ครั้งหนึ่งสองครั้งเช่นตื่นเช้าขึ้นมาอาจจะลุกขึ้นมานั่งสมาธิสักหน่อยอันนี้ผู้ที่อยากจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบจึงจาเป็นที่จะต้องถือศีลแปดจะช่วยได้มากกว่าการถือศีลห้าศีลข้อ7ก็คือไม่ให้ไปเที่ยวเตะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเช่นไปดูมหรศศพ ไปร้องรำทำเพลงและเวลาออกไปข้างนอกก็ต้องเสริมความงามแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาแต่งผ้าแต่งผมใจน้ำหงน้ำหอมอะไรต่างๆก็ต้องมาเสียเวลากับกิจกรรมเหล่านี้และเวลานอนถ้านอนบนผู้นั้นหน า, น า, นาก็จะนอนมากเกินความต้องการของร่างกายธรรมาดาร่างกายนี้ต้องการหลับนอนประมาณ เกินละสี่ห้าชั่วโมงก็พอถ้านอนบนผูกนั้นาๆพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วเดินขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกเพราะว่าผูกมันนิ่มมันสบายก็อยากจะนอนต่อท่านถึงสอนให้ไม่ให้นอนบนผูกนั้นาๆเตียงใหญ่ๆ ใ, ให้นอนบนพื้นไม้พื้นแข็งปูด้วยผ้านด้วยเสือ่อเพราะเวลา ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่แล้วเป็นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิลุกขึ้นมาปฏิบัติทำได้นี่คือเรื่องของการรักษาศีลเพื่อเป็นการสนับสนุนการทําใจให้สงบเพื่อเป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงถ้าได้รักษาศีลแล้วก็จะมีเวลาที่จะได้ปฏิบัติได้ พอหลังจากรับถ้ารับประทานมื้อเดียวรับประทานตอนเช้านี้ประมาณสักปดโมงก็รับประทานเสร็จแล้วอาจจะพักสักพักหนึ่งสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วก็เริ่มปฏิบัติธรรมได้เดินจงกรมนั่งสมาธิการจะนั่งทำใจให้สงบในเบื้องต้นจะต้องเจริญสติก่อนต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆ ไม่ส่งใจให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตให้ดึงใจไว้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไม่ให้คิดปรุงแต่งให้สักแต่ว่ารู้รู้ว่ากำลังทำอะไรถ้าไม่สามารถควบคุมให้ใจให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ต้องใช้กรรมบริกรรมเป็นตัวดึงมาเพราะใจไม่ชอบรู้อยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ รู้อยู่เดียเด๋ยวๆแล้วก็จะแวบไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ถ้าปล่อยให้ใจแวบไปแวบมาคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เวลานั่งสมาธิใจก็จะแวบไปแวบมาใจจะไม่อยู่กับอารมณ์ที่ได้กำหนดไว้ให้ใจผูกติดอยู่กับอารมณ์นั้นจะผูกติดอยู่ได้เพียงชั่วแวบหนึ่งแล้วก็จะไป การที่จะทําใจให้สงบในใจจะต้องอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องเช่นถ้าดูลมหายใจก็ต้องอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ายังมีการคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้ น, ส, น, นสิ่งนี้อยู่ใจจะไม่สามารถรวมเข้าสู่ความสงบได้ใจต้องรวมตัวเป็นหนึ่งให้การจะรวมตัวเป็นหนึ่งนี้ ใจต้องมีอารมณ์เดียวอารมณ์ที่ผูกใจไว้ให้เป็นหนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธก็เป็นวิธีหนึ่งหรือการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ใจนี้เป็นหนึ่งเมื่อใจเป็นหนึ่งใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เมื่อเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขที่มีอยู่ภายในใจ อยู่ในความสงบนี้แล้วจะรู้ว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เป็นของเราของต่างๆที่เราคิดว่าเป็นของเราเั้นมันไม่ได้เป็นของเราเพราะว่ามันจะต้องมีวันที่จะต้องจากเราไปแต่ความสงบนี้ที่อยู่ในใจนี้มันเป็นของเรามันไม่มีวันจะจากเราไปเพราะว่ามันอยู่กับใจ ใจก็อยู่กับเราเราก็อยู่กับใจอยู่กับความสงบอันนี้เราจะถือว่าเป็นของเราได้อย่างแท้จริงมีสิ่งเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่เราจะสามารถถือว่าเป็นสมบัติของเราได้ก็คือความสงบนี้เองความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แหละเป็นสมบัติที่แท้จริงของเรานอกนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราเวลา ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ก็จะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากเขาไปแม้แต่ร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราเขาก็จะต้องจากเราไปร่างกายของทุกๆคนนั้นเป็นของดินน้ำลมไฟไม่ได้เป็นของใจใจเป็นเพียงผู้ครอบครองไว้ชั่วคราวเท่านั้นเอง ใจไม่มีอำนาจที่จะยับยั้งการเสื่อมการแตกดับของร่างกายได้การกลับคืนสู่สภาพเดิมของร่างกายได้ก็คือการกลับคืนสู่ดินน้ำนมไฟได้ท่านจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่เป็นของใจฉันั้นเราจึงอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าไปพึ่งสิ่งต่างๆ ให้ความสุขกับเราเพราะมันเป็นความสุขปลอมหรือเป็นความสุขเป็นหลุมพรางที่จะหลอกให้เราคิดว่าเรามีความสุขแต่เราลืมมองไปว่ามันสุขได้นานสักเท่าไหร่นานไปตลอดหรือเปล่าหรือว่านานแค่เฉพาะระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นพอเวลาที่เขาเสื่อมไปหมดไปหรือเวลาที่เราไม่สามารถที่จะ ใช้บริการของเขาได้เช่นตาไม่ดีจะดูภาพยนต์ก็ดูไม่เห็นหูหนวกใจฟังอะไรก็ฟังไม่ได้ยินเวลานั้นต่อให้มีอะไรมากมายก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่สามารถหาความสุขผ่านทางตาผ่านทางหูได้แต่ใจนี้ไม่มีวันเสื่อมเหมือนร่างกายไม่เหมือนตาไม่เหมือนหูไม่เหมือนจมูกลิ้นกายที่จะต้องมีวันเสื่อมไป ดังนั้นเราจึงควรที่จะเปลี่ยนการหาความสุขดีกว่าเอามาหาความสุขทางใจกันดีกว่าแล้วเราจะมีความสุขอยู่กับเราไปตลอดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอ า, หารหลันตสสาวกทั้งหลายนี้ท่านได้พบกันใจของท่านมีความสุขตลอดเวลาถึงแม้ว่าตอนนี้ท่านไม่มีร่างกาย แต่ท่านก็ยังมีความสุขอยู่เพราะใจของท่านก็ยังอยู่และความสุขที่ที่อยู่ภายในใจของท่านก็ยังมีอยู่ใจของพวกเราก็สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้เช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ด้วยการฝึกทําใจให้สงบเดินจงกรมนั่งสมาธิ จะรอนสติควบคุมความคิดปุงแต่งต่างๆไม่ให้คิดให้หยุดคิดพอใจหยุดคิดแล้วใจก็จะสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขหลังจากออกจากความสงบมาก็ให้ใช้ปัญญารักษาความสงบนั้นอีกขั้นหนึ่งถ้าไม่ใช้ปัญญาเดี๋ยวความอยากจะเข้ามาทำลายความสงบให้หมดไป เวลาเรามีความสงบนี้เราจะไม่อยากได้อะไรแต่พอเราเผลอเกิดคิดไปถึงอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความสงบใจนี้ก็จะหายไปความวุ่นวายใจก็จะเกิดขึ้นมาเวลาเราอยากได้อั น, นี้เราจะรู้สึกกังวลกัวายกสัสารกังสายจะได้หรือไม่ได้เมื่อไหร่ใจก็กังวลแต่เวลาใดที่เราไม่อยากได้อะไรนี้เราจะรู้สึกเฉยเฉยสบาย นั้นถ้าเราอยากจะให้มีใจรู้สึกเฉยๆสบายไม่วุ่นวายไม่วิตกไม่กังวลไม่กังวลกวายกัะสับกระสายเราก็ต้องสอนใจไม่ให้อยากการที่จะทำให้ใจไม่อยากก็ต้องชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นะมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขมันเป็นความสุขเดียวๆความสุขชั่วขณะที่ได้มาแต่พอได้มาแล้วก็จะต้องมีภาระ ในการดูแลรักษาแล้วไม่ว่าจะดูแลรักษาให้ดีขนาดไหนในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมไปถ้ามันไม่เสื่อมเราก็อาจจะเสื่อมไปก่อนไม่มีอะไรที่จะอยู่คู่กันไปได้ตลอดเวลานี่เป็นการสอนใจเพื่อให้ไม่ให้ไปทาตามความอยากต่างๆให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นเพราะมันไม่เที่ยง มันไม่ถาวรพอมันไม่พอไม่สุกมันก็กลายเป็นทุกข์ไปดงั้นจะว่าเป็นการไปหาความทุกข์ก็ได้เช่นอยู่คนเดียวรู้สึกเหงาก็เลยอยากจะไปมีแฟนพอเราไปมีแฟนใหม่ๆก็ดีใจได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวพอแฟนจากไปแฟนความทุกข์ก็กลับมาใหม่ทุกข์กว่าเก่าเสีทุกข์กว่าตอนที่ไม่มีแฟนเสเพราะดันั้น ทุกแบบหนึ่งแต่เวลาทุกที่แฟนจากไปนี่ทุกอีกแบบหนึ่งให้คิดแบบนี้เพื่อที่จะได้เข็ดหรือกลัวการที่จะไปมีอะไรพอมีแล้วมันจะต้องดูแลรักษาจะต้องห่วงต้องห่วงจะต้องวิตกกังวลว่าเขาจะอยู่เขาจะไปเมื่อไหร่แล้วเวลาเขาเปลี่ยนไปก็ทุ ก, อ, กอีกแบบหนึ่งเขาเคยดี พอเขาเปลี่ยนไปเป็นไม่ดีขึ้นมาก็ทุกข์อีกแล้วสู้ยอมทุก์อยู่กับคนอยู่คนเดียวดีกว่าเรามาพยายามดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้มันจะง่ายกว่าพอเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปเราก็จะอยู่อย่างเป็นปกติไม่เดือดร้อนเราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่า ความทุกข์ของใจเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะอยู่อย่างสบายเฉยๆไม่เดือดร้อนคนที่ไม่มีอยากคนที่ไม่อยากมีแฟนเขาอยู่ของเขาคนเดียวได้สบายเขาไม่เดือดร้อนแต่คนที่อยากมีแฟนนี่อยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องพยายามอกไปหาแฟนคนที่อยากเที่ยวกับคนที่ไม่อยากเที่ยวนี่ก็เหมือนกันคนที่ไม่อยากเที่ยวเขาก็อยู่บ้านสบาย ไม่เดือดร้อนแต่คนที่อยากเที่ยวนี่เดือนร้อนแล้วเดี๋ยวปีใหม่จะไปที่ไหนดีกายเขาจัดงานเลี้ยงเขาเชิญเราหรือเปล่าเราได้ไปกับเขาหรือเปล่าถ้าไม่ได้ไปก็เสียใจอีกทุกข์อีกกังวลนีกแต่คนที่ไม่อยากจะไปเที่ยวอยู่บ้านอยากจะอยู่บ้านเฉยๆอ ย, อยู่บ้านอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์กลับมีความสุขคนที่ อยากจะออกไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวก็สนุกเดียวเดียวพอกลับมาก็เหมือนเดิมพอกลับมาถึงบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดเองแต่สิ่งที่ไม่หายไปก็คือความอยากไปเที่ยวใหม่ก็จะต้องออกไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะต้องทุกข์อยู่กับความอยากนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละคือปัญญาที่เราต้องพยายามสอนใจอยู่บ่อยๆ เพื่อเพื่อที่เราจะได้มาหยุดความอยากต่างๆถ้าเราหยุดความอยากต่างๆได้แล้วปัญหาต่างๆภายในใจของเราก็จะหมดไปและเราก็จะได้มีแต่ความสุขไปตลอดเมื่อเรามีความสุขภายในใจเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องมีร่างกายเมื่อไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการทำมหากินไม่ต้องมาวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือเรื่องของอความสุขสองรูปแบบความสุขที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือกับความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านทรงเลือก ความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่าความสุขทางร่างกายนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะร่างกายนี้จะต้องมีวันแก่วันเจ็บและวันตายไปและสิ่งที่หาได้ผ่านทางร่างกายก็มีวันเสื่อมมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเวลาดับไปก็เกิดความทุกข์ใจเสียใจแต่ ความสุขทางใจนี้จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันดับไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นจะอยู่ไปคู่กับใจไปตลอดใจของเรานี้ไม่มีวันตายเพียงแต่ว่าถูกความหลงหลอกให้มาใช้ร่างกายแล้วไปหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายจึงไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้ามีปัญญาสามารถมองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียง เครื่องมือเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่ใจมาใายใช้พาไปไหนมาไหนเท่านั้นเองแล้วไม่ช้าก็เร็วรถยนต์คันนี้ก็จะต้องเสื่อมต้องหมดสภาพไปแต่คนขับนี้ไม่ได้เสื่อมไม่ได้หมดสภาพไปกับร่างกายถ้าปฏิบัติทมทำใจให้สงบนี้จะสามารถเห็นความจริงอันนี้ได้จะเห็นว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกัน ใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆส่วนร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้คำสั่งของของใจเท่านั้นเองส่วนร่างกายนี้ก็มีอายุที่ไม่ยืนยาวนานส่วนใจนี้มีอายุที่ยืนยาวนานให้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติก็จะได้ปล่อยวางร่างกายได้ไม่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกาย พอรู้ว่าสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีร่างกายเพียงแต่ทำใจให้สงบหยุดความอยากต่างๆเท่านั้นเองพอไม่มีความอยากแล้วความทุกข์ต่างๆก็ไม่มีความสุขจะมีแต่ความสุขมีความอิ่มมีความพอแต่ถ้ามีความอยากนี้ต่อให้ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้มาแล้วก็อยากจะได้อีกได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอ ความพอไม่มีถ้าความอยากนี้ไม่มีความพอความพอนี้จะเกิดจากความไม่อยากการที่จะไม่อยากก็ต้องหยุดทำใจให้สงบพอใจสงบนี้ความอยากก็ต้องหยุดไปเพราะว่าความอยากนี้ใช้ใช้ใช้ความไม่สงบใช้ความคิดนี้เป็นเครื่องมือถ้าหยุดความคิดแล้วความความอยากก็ไม่สามารถทำงานได้ อันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นที่จะหยุดความอยากแต่เป็นความหยุดชั่วคราวเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุของความอยากต้นเหตุของความอยากก็คือความหลงที่ไปคิดว่าการกระทําตามความอยากเป็นความสุขอันนี้อันนี้แก้ด้วยการหยุดความคิดเพื่อไม่ให้ความอยากใช้ความคิดเป็นเครื่องมือ เวลาเรานั่งสมาธินี้เราใช้สติควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้คิดไปถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้พอถ้าคิดแล้วเหีืยวก็ไอความอยากตามมาพอเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากก็จะไม่มีตามมาใจก็จะหยุดคิดพอหยุดคิดความอยากก็หยุดตามไปด้วยพอความอยากหยุดไปก็จะเห็นว่ามีความสุขโผล่ขึ้นมาก็ความสงบน พอเห็นอันนี้แล้วพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทาตามความอยากเวลาเวล า, าจะคิดไปทางความอยากให้หยุดคิดให้คิดไปอีกทางหนึ่งให้คิดให้ไม่อยากคือถ้าไปเห็นอะไรว่าสุข ก, ก็ต้องรีบพลิกทันทีให้เห็นว่ามันทุกข์มันสุข ก, ก็เจงอยู่แต่มันสุขเดียวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไป แล้วเดี๋ยวสิ่งที่เราได้มาก็เปลี่ยนไปของใหม่ๆนี้เวลาได้มาก็ดูน่าดูน่าชมพอใช้ไปสักพักหเดี๋ยวมันก็เก่าพอเก่ามันก็เบื่อหรือมันเสียมันก็ทำให้เราทุกข์ได้นี่เราต้องแก้เวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วต้องคอยแก้ความคิดเวลาคิดว่าไอ้นั่นดีก็เราวบอกไม่ดีไม่ดีเพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราค ว, ควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่ง สั่งไม่ได้สั่งให้เขาดีกับเราไปตลอดไม่ได้วันดีขึ้นดีเขาอยากจะพยศขึ้นมาเขาเขาพยศขึ้นมาเขาจะดื้อขึ้นมาเขาก็จะดื้อขึ้นมาให้คิดแบบนี้ทุกครั้งที่คิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นจะให้ความสุ ข, ขกับเราก็ต้องบอกว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นของเราอย่างแท้จริงหรือเปล่าเราสั่งมันได้หรือเปล่าเสมอไปหรือเปล่าถ้าคิดแบบนี้มันก็จะยุติความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ อยากทำอย่างนั้นอย่างทำอย่างนี้ได้พอหยุดความอยากได้ความอยากก็จะหายไปอย่างถาวนอนเพราะเราแก้ด้วยปัญญาเราไปแก้ที่ต้นเหตุคือความหลงเราไปหลงคิดว่ามันดีปัญญาจะมาบอกว่ามันไม่ดีมันไม่ดีจริงมันดีเดี๋ยวเดียวแล้วเดียวมันก็ต้องหมดไปนี่คือปัญญาปัญญานี้จะมาแก้ต้นเหตุของตัณหาของความอยากความอยากเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่า งูพิษนี้ดีคิดว่างูพิษนี้เป็นงูปาลาไหลปัญญาก็บอกมันไม่ใช่ปาลาไหลมันเป็นงูพิษเหมือนเหมือนยาพิษก็ไปคิดว่าเป็นขนมอย่างนี้พอ ป, ปัญญาบอกว่าอย่าไปกินเออย่างสมัยนี้คนที่มีปัญญาเขาบางทีก็ต้องมาบอกพวกเราใช่ไหมอย่า ก, กินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เพราะมันมีสารพิษกินเข้าไปแล้วเป็นมะเร็งได้อันนี้ก็เหมือนกันเราต้องมีปัญญามาคอย แก้ความหลงของเราที่มักงจะมองไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ừ ừ ừ. เพราะเรามองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเรามองไม่เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเสมอมันดีเกินดีมันกลายเป็นของคนอื่นไปก็ได้ให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้หยุดความอยากต่างๆได้เพราะเราหยุดความอยากต่างๆได้แล้วทีนี้ก็จะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจ ใจจะมีแต่ความสุขความอิ่มความพอไปตลอดดูใจของภพเจ้าของพระอนันตาสาวกดูท่านมีอะไรบ้างท่านมีของน้อยกับพวกเราเป็นเป็นสิบเป็นร้อยเท่าท่านมีเพียงอัฐบริขารเป็นสมบัติสมบัติแปดชิ้นของผู้ที่ไม่มีความอยากมีบาดไว้สำหรับหาอาหารมีผ้าไตาจีวรสามผืนไว้สำหรับนุ่งห่มมีมีดกรไว้ปงผม แล้วก็มีเข็มกระดาษไว้สําหรับปะเย็บจีวรแล้วก็มีที่กรองน้ําเพราะในสมัยโบราณนี่ไม่มีน้ําประปาเวลาจะดื่มน้ําจะต้องไปตักน้ําดื่มในลานําธารลําห้วยซึ่งอาจจะมีตัวสัตว์อยู่ในนั้นได้เช่นลูกน้ําอะไรต่างๆก็ต้องใช้ที่กรองน้ำํำตักขึ้นมานี่คือสมบัติของผู้ที่ไม่มีความอยากมีเท่านี้พอแล้วอยู่ได้แล้ว มีไว้สำหรับดูแลร่างกายเท่านั้นเองแล้วก็ดูแลได้ก็ดูไปถ้าดูแลไม่ได้มันจะตายท่านก็ปล่อยมันตายไปท่านไม่มีโรงพยาบาลอย่างพวกเรามีกันไม่มีหยูกไม่มียาไม่มีหมอไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่พวกเรามีกันพวกเรามีแล้วเราวุ่นวายแล้วเราสงบกันท่านไม่มีแล้วสบายมัมยอมตายซะอย่างแล้วสบาย ถ้าไม่ยอมตายแล้วต่อให้มีหมอวิเศษขนาดไหนยาวิเศษขนาดไหนเครื่องมือวิเศษขนาดไหนมันก็วุ่นวายมันก็ทุกอยู่ดีความทุกข์ใจมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่ที่ อ, อยู่ที่อะไรความความความทุกข์ใจนี้มันเกิดจากความอยากไม่ยอมตายของเราเท่านั้นเองถ้ายอมตายแล้วมันจะไม่ทุกข์พเราทุกวันนี้ทุก ที่ทุกกันก็ทุกข์เพราะไม่ยอมตายกันแล้วมีใครไม่ตายบ้างนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราไม่มองกันว่าสิ่งที่เรามีอยู่นี้มันไม่ใช่ของเรามันจะต้องตายจากเราไปสักวันใดสักวันหนึ่งถ้าเราคิดอย่างนี้ไว้ตลอดทอดึงเวลามันจะตายจากเราไปก็ปล่อยมันตายไปไม่ต้องไปทรมานวุ่นวายกับการไปดูแลรักษามันเพราะเราไม่มีปัญญา เราไม่ได้ศึกษาไม่ฟังคำสอนของผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่ของเรามีมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีไปเช่นร่างกายของเรานี้มันมาแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะหยุดความอยากไม่ให้มันไปได้คือตอนนี้เราไม่อยากให้มันไปเราจึงทุกข์กับมัน เพราะว่าอยากหรือไม่อยากมันก็ไปถ้าไม่อยากก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากให้มันไม่อยากถ้าอยากให้มันไปอยากให้ไม่ให้มันไปก็จะทุกข์แต่ถ้าไม่อยากปล่อยให้มันไปได้ก็จะไม่ทุกข์ท่านถึงสอนให้เรามันพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายจะต้องมีวันพัดภาคจากเราไปในที่สุดถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้แล้วพอถึงเวลามันจะจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์ แล้วเราก็จะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกเพราะว่าเรารู้ว่ากลับมาเกิดใหมก่ก็จะเจอปัญหาแบบเดิมอีกเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอความทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไปอีกถ้าฉลาดแล้วมีปัญญาแล้วก็จะปล่อยวางแล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายจะไม่ไปมีร่างกายใหม่ต่อไป ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาทุกข์ใหม่อีกยังเหมือนอย่างที่เรากาลังเป็นกันอยู่ในตอนนี้ดังนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือการหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปให้ได้ด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิและด้วยการเจริญปัญญานี่คือสิ่งที่พวกเราจําเป็นที่จะต้องมี เในในการทําลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปถ้าทําลายได้หมดแล้วใจของพวกเราก็จะเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 ราสุยทาสภิติโยวิวาชนตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวะตวันตรายูสุขีทีคาโยกผวะอภิวาธานศีลิตสะนิจังวุทฒาปจายโนจตารุธรรมมาวัาติอายุวโนสุขัง ล, าลา้าเราดำเนินต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะรู้ธรรมด้านใดก็ขอเชิญกรุณาถามได้ในช่วงนี้ถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนไปแล้วก็จะขออนุญาตหยุด ต, ตอบคำถามจะตอบเฉพาะช่วงที่ เปิดไมโครโฟนช่วงที่เรายังประชมกันอยู่นี้ถ้าเลิกประชมแล้วก็ขอขอยุติจะได้พักผ่อนค่ะถามาหมจ้ค่ะถามจะถามบ่าเขาไม่ถามจะถามหลวพ่อเจ้าค่ะน้อมสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เมื่อกี้ตีกายเสเรียบร้อยแตกยับเลย คราวนี้คือโยมเพิ่งไปปฏิบัติธรรมมาสี่ส้าวันนะคะก็เห็นด้วยว่าคารวะนี้คับแคบมากๆนะฮะมันเป็นทางมาแห่งทุรีจริงๆเพราะว่าพอกลับจากสี่ห้าวันกลับบ้านนี่โอกาสที่จะนั่งสงบหรืออะไรนี่มันไม่ใช่ของง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นการที่จะหลุดพ้นหรืออะไรนี่มันต้องเอาเป็นเอาตายจริง ๆ, จง ๆ, จงๆเจ้าคราวนี้เออเรื่องกายเนี่ยเมื่อกี้เข้าใจได้ดีพอสมควร เขานี้มีเรื่องหนึ่งที่โยมไปปฏิบัตินะคะก็คือว่าเออเป็นการแบบดูกายเขานี้ดูตรงเนี้ยมันเป็นนํามาทำนะาคะก็คือว่าเราดูความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยวิธีการความทุกข์นี่คือเวลาถ้าโรานั่งปฏิบัติเนี้ยถ้าจิตมันไม่สงบมันก็จะไม่ชอบไม่พอใจก็คือทุกข์ใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ถ้าติดรวมจิตสงบมันก็เป็นความสุขซึ่งอันนี้เมื่อไหร่ที่ เมื่อไหร่เรานั่งไม่ดีเนี่ยเราจะไม่ชอบเราจะจิตเราจะไม่ชอบมันเพราะเราอยากจะให้มันนั่งสงบเพราะนั้นก็ไปเรียนรู้ในการปฏิบัติการปล่อยวางแม้กระทั่งสุขหรือทุกข์ซึ่งเห็นความไม่เที่ยงถึงมันทุกข์มันไม่สงบเราก็เห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็คือให้อุเบกขาให้ดูมันให้รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ทุกข์ก็ดับไป แม้ทั้งความสุขที่ปฏิบัติเวลาจิตมันรวมมันสงบมันเบาสบายเราก็เห็นว่าจิตไม่ไปยุทธ์ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นความสุขประยุทธ์ว่ามันจะอยู่กับเราเราก็เห็นว่ามันมันก็ดับไปเหมือนกันซึ่งทั้งสองอย่างจริงๆแล้วก็ดับไปนะคะเพราะฉะนั้นโยมก็เลยนั่งอธิษฐานสามชั่วโมงเช้าสามชั่วโมงบ่ายโดยบัลลังสองบัลลังนี้เป็นบัลลังอธิษฐานไม่ยอมลุกก็พยายามนั่งดู มันทุกข์ก็ดูมันมันไม่สงบแล้วเราก็ไม่ไม่คิดไม่ได้ว่ามันจะสงบเป็นเาไหนจริงๆเลยบางครั้งเชื่อสงสัยแย่ละชั่วโมงนี้ปุ๊บมันก็สุกสุกทั้งวันเขามีอะไรอย่างเนี้ค่ะบางทีมันก็ทั้งวันทุกข์ทั้งวันคือมันไม่ใช่ทุกข์หมายว่ามันไม่สงบอย่างที่เราต้องการเราต้องการอะไรไม่ได้คือเราอยากไม่ได้จริงๆเลยเท่าที่เราดูจากเนี้ยอยากแก้มันสุกมันก็มันไม่เคยเชื่อเราเลยอยากแก้มัน มันไม่สงบบอกให้มันไอ้เมื่อไหร่จะเลิกสงบมันก็ไม่เชื่อเรามันก็ค่อยๆ ค, คือตรงนี้่ะแล้วโยมก็ให้คะแนนทุกโชว์สามชั่วโมงว่าสามชั่วโมงเนี้ยใจเราหวั่นไหวไหมถ้ามันไม่จิตมันไม่รวมเราเป็นยังไงก็คอยให้คะแนนอยู่ตลอดเวลาก็คอยฝึกตรงเนี้ยพระอาจารย์คิดว่าอันอย่างนี้ถูกต้องไหมคะคือการที่เราให้ปล่อยวางสุขทุกข์อย่าไปอยากกับมันนึง หมายถึงสุขทุกข์ที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ใช่เจา้าค่ะจากการปฏิบัติเจา้า่ะแต่มันมีสุขทุกข์ที่เราสามารถที่จะควบคุมได้เจา้าค่ะอันนั้นเราก็ต้องศึกษาเหตุที่จะจทําให้สุขนั้นเกิดขึ้นที่จะทําให้ทุกข์นั้นดับไปอันนี้ต่างกันนะ คือสุขทุกที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆนี่เราไปบ ure, ังคับไม่ได้เช่นบุคคลต่างๆสิ่งต <Admiral, S 2> ่างๆที่ไม่ได้ <servir S 1> อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา <c oughs> แต่ใจนี้เป็น <c oughs> สิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้นี้นเราต้องแยกแยะว่ามันมีสองแบบเช่นเวลานั่งสมาธิ <c oughs> ถ้าเรามีเหตุถ้าเรารู้เหตุที่จะทําให้มันสงบเราก็ทําให้มันสงบสร้างเหตุใช่ไหมใช่ไหมใช่ไอย่างนั้น เราต้องแยกแยะว่ามันไม่ใช่อุเบกขากับกับเรื่องนี้เพราะอุเบกขาไงมันก็ไม่เป็นมันต้องมีเหตุถึงจะทําทให้มันเป็นอุเบกขาให้มันสงบได้ใช่ค่ะคก็เป็นอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาแบบฝืนๆบังคับไปใจแต่มันไม่เป็นอุเบกขาจริงคือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมคะ<ช>จริงๆความอยากมันยังมีแหละเพราะ<ช>ว่าเราก็ต้องการให้ความสงบคราวนี้เราก็ต้องสร้างเหตุแต่บางครั้งมันก็ มันก็เป็นไปตามที่เราต้องการก็คือ <ina> ต้องมีสติที่แน่วแน่แนมั่นคงต้องมีความอดทนแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่เป็นไปตามความอยากซึ่งจริงๆแล้วเราคงบอกเราไม่อยากมันก็คงมีอยากนิดๆเพราะเราคงยังปล่อยวางไม่ได้ขนาดนั้นใช่เจ้าคะคือความอยากมีความสูงนี่มันไม่ได้เป็นความเสียหายแค่แต่ว่ามันจะเสี ย, ยก็ต้องที่ว่าอยากเราไม่ไม่สร้างเหตุทาให้มันสงบเมื่อเราอยากจะให้มันสงบ แล้วเรารู้ว่าเหตุที่จะทําให้มันสงบนี้เป็นอะไรเราก็ต้องสร้างความเพียรในสร้างเหตุนั้นด้วยความเพียรเช่นเรารู้ว่าสติคือเหตุที่จะทำให้ใจเราสงบครับเราก็ต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรด้วยแล้วถ้ามีสติแล้วต่อไปมันสงบเองจะอยากหรือไม่อยากก็ไม่เป็นปัจจัยสร้างเหตุก็ต้องอดทนใช่ไหมท่านอาจารย์ก็คือเพราะว่ามันก็เหมือนกับเด็กเริ่มหัดหัดเดิน เจ้าขาดครานใหม่ๆ เ, เด็กที่ยังเดินไม่ได้ก็ต้องล้มลุกคุกคานไปก่อนเจ้าค่ะแต่พอถ้ามีความอดทนพยายามที่จะหัดเดินอยู่เรื่อยๆล้มเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นมาใหม่ล้มเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นมาใหม่การฝึกสติก็ค้ายคลึงคกัน เ, เวลาเผลอเมื่อไหร่พอรู้สึกตัวก็กลับมาใหม่กลับมาใหม่ เลื่อมกลับมาใหม่ให้มันอยู่ปัจจุบันให้มันอยู่กับพุทโธให้อยู่กับร่างกายนอย่าให้มันคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คก็ต้องฝึกไปเรื่อยแล้วสติก็จะเพิ่มกําลังขึ้นไปเรื่อยแล้วต่อไปมันก็จะไม่ไปไหนมันจะสามารถควบคุมใจให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องที่เรากําหนดให้มันอยู่ได้แล้วตอนนั้นมันความสงบมันก็จะมาเองความสุขมันก็จะมาเอง แล้วคราวนี้ถ้าเกิดในกราวนี้เขาเราดูตรงนี้ให้เป็นใจรักคือให้เห็นเอามาเป็นปัญญาว่าแม้ความสุขมันก็ไม่อยู่กับเราตลอดหรือความทุกข์ก็ไม่อยู่กับเราตลอดให้เห็นเป็นมุมปัญญามันเวิร์กไหมคะโอเคนะคะอันนี้มันไม่ไม่ไม่ใช่ใยรักแะอันนี้มันเรื่องของมันเรื่องของเหตุของผลเจ้ค่ะความสุขความทุกข์ใจนี้มันมีเหตุมีผลทําให้มันสุขมันทําให้มันทุกข์ใช่เจ้าค่ะทุกข์ใจเกิดจากความอยากทุขใจคือเกิดจากความไม่อยากเจ้าค่ะอันนี้ ถ้ามันไม่มีความอยากมันก็จะสุกไปตลอดไม่มีตายรักอยู่ในสุขนั้นย่งสุขของพระพุทธเจ้าพระหลานนี้ไม่มีตรักใช่คือหมดความอยากแล้วใช่แต่ยังเราเนี่ยปุถุชนอย่างเงี้ยก็คงให้ฝึกดูตรงนี้มันจะโอเคไหมคะพระอาจารย์ไม่โอเคมันต้องฝึกว่าต้องต้องทำลายความอยากเป็นอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไปโอเคว่ามันมันมันสุขก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ใช่ แต่ถ้าสุขทางร่างกายเนี่ยใช่ค่ะจร่างกายเวลาได้ไปอยู่กับคนที่เรารักก็มีความสุขพอเวลาเขาไม่อยู่มันก็ไม่เที่ยงอันทางกรรมคุณ5อันนี้มันทางสมาธินี่จริงๆก็ไม่น่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวความสุขทางใจนี่มันไม่เกี่ยวกับตายแล้มันเกี่ยวกับสติปัญญากับตัณหาความอยากว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าถ้าตัณหามีความกำลังมากกว่าความสุขก็หายไป ถ้าสติปัญญามีกำลังมากกว่าต<อ>ันหาความอยากความสงบ ค, ความสุขก็กลับมามันไม่เหมือนกันก็แบบนี้ก็หมายว่าถ้าเราเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องสร้างเหตุแต่เราก็ไม่ควรจะไปติดตรงนั้นหรอกจ้าค่ะอาจารย์ หรือว่าไงคะต้องติดต้องติดในการสร้างเหตุเริ่มต้นถ้าไม่ติดในสร้างเหตุมันจะไปสร้างได้ไหมถ้ามันไม่ชอบคงไม่อยากสร้างเหตุใช่ไหมคะสร้างบ้านนี่ถ้าคุณไม่ติดกับการสร้างบ้านสร้างวัน2วันแล้วก็หยุดสร้างนี้เริ่มเมื่อไหร่มันจะเสร็จอ่ะเจ้าค่ะยังไคุณก็ต้องสร้างบ้านให้มันเสร็จเราเริ่มต้นต้องชอบมันต้องต้องอยากได้มันก่อนต้องมีฉันทะต้องอยากจะมีความสุขแบบนี้จะได้มี มีฉันท่าที่จะสร้างเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขแบบนี้แล้วถ้าเราตรงความสุขมาเป็นตายักก็ไม่ได้ถ้ามันหมดไปแล้วเราก็เห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงได้ไหมเจ้าคะอันนี้มันไม่ไม่ใช่ไม่ควรจะมันหมดไปเพราะว่ามันไม่มีเหตุมันก็หมดไปเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะจะว่ามันเป็นตายักก็ได้แต่เราสามารถทำให้มันไม่ให้เป็นตายักได้ ท่านเร า, าปฏิบัติอยู่ตลาดเวลามันก็ไม่เป็นตายแล้วอ๋อเจ้าค่ะคราวนี้มีอีกประสบการณ์หนึ่งที่เจอคือเวลาปฏิบัติมันสงบมากๆแล้วแล้วก็มันมีลมหายใจเราก็ยังเห็นลมหายใจอยู่ซึ่งลมหายใจเนี่ยเราดูมันก็เป่ามากๆๆแต่มันรบกวนความสงบเหลือเกินเราก็มีความอยากว่าไอ้ลมหายใจนี่เมื่อไหร่มันจะหมดไปตรงนี้เป็น ไม่ที่ลบกวนที่ลบกวนไม่ใช่ไม่ใช่หนมหายใจแต่ความอยากของเราให้มันหายไปใช่ไหมเจ้าคะเราอย่าไปอยากให้ดูเฉยเฉยถ้ายังมีอยู่ก็ก็มีไปอตรงเนี้ยที่เราต้องระวังคือเราไปฟังเทศไปฟังเทศของคนอื่นแล้วเขาบอกว่าต่อไปมันจะหมดพอมันไม่หมดคุณก็เลยเครียดขึ้นมาอยากจะให้มันอยากจะให้หมดนั่นคือความอยากนี่ใช่ไหมเจ้าคะคือความอยากนี่นั่งงนี้ผิดละถือว่าทุกไหมเจ้าคะอย่างนี้เป็นความทุก ก็ด้านในความอยากก็ทาให้เกิดทุกข์ต้องต้องรู้ความจริงของลมตอนนี้ลมอยากก็รู้ว่าอยากลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมยังไม่หมดก็รู้ยังไม่หมดอย่าไปอยากให้มันหมดอย่าไปอยากให้หมดเดี๋ยวมันหมดเองถ้ามันหมดก็รู้ว่ามันหมดอถ้ามันไม่หมดก็อาจจะเป็นเพราะว่าสติเราไม่มีกำลังพอชเมาไปทิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยมันก็เลยไม่ละเอียดพอจิตลมมันละเอียดเพราะจิตเป็นละเอียดช จิตสงบเพิ่มขึ้นไันหลายลมก็จะจ ะ, จ, ะจะจะละเอียดตามถ้าเราวางเฉยต่อไปมันก็จะต้องแล้ ว, ลวค่อยๆหมดไปใช่ไหมเจ้าค่ะอยู่ที่ <จน S 2> ส ต, ติตัวเดียว <จน S 2> ค่ะค่ะไม่ใช่อยู่ที่ความอยากใช่เราอยากเลยทุกพระอาจารย์ครับไอพอไปถึงช่วงที่มันเปิดอาการแปลกๆเนี่ยวันนั้นอาจารย์บอกว่าให้ดูมันเฉย แต่เขาดูมาแล้วเหมือนมีอาการกดทับแรงขึ้นแรงขึ้นจะเอาไงมันดีครับอ๋ออย่าไปสนใจมันไงปล่อยไปเลยใช่ไหมครับถ้าเรากลับบ้านดูลมได้ก็ดูลมพุทโธอะไรก็พุทโธใช่ไหมพุทโธไปอย่าไปสนใจกับมันอย่าไปอยากให้มันหายหรืออะไรมันก็จะมันจะเจ็บแล้วมันแรงขึ้นแรงขึ้นไม่ต้องกังวลเหมือนกับเจ็บขาเจ็บแข้งก็ปล่อยมันเจ็บไปใช้พุทโธไปแล้วเดี๋ยวพอจิตสงบมันก็จะหายไปครับอ่า อ่ใช่ว่างไปเลยใช่ไหมอ่าว่างไปเลยอ่าอ่าเหมือนนั่นแะจิตสงบมันจะรู้สึกอย่างนั้นจะตพุทโธพุทโธพุทโธสู้กับมันพุทโธพุทโธอ่าอย่าไปมีอารมณ์กับมันอย่ามีอารมณ์กับมันอย่ามาบอกว่าสู้กับมันฟังกับมันไอ้เจิตจิตเนี้ยมันด้วยพุทโธ เก็บนักหนักขึ้นได้ขึ้นไปเลยอยาอยากังมันเลยสู้มันตายไปเลยเดี๋ยวขอถามต่อ <laughs> <laughs> <laughs> คำถามจากทางบ้านจากคุณ น, นิมสิริรัตน์เวลากโกรธใครสักคนแล้วพยายามจะไม่โกรธแต่ก็อดคิดไม่ได้จะมีอุบายอะไรช่วยเรื่องนี้ครับ ก็อย่าไปคิดนึงที่ให้บริกรรมพุทธโธแทนให้สวดอิติปิโสหรือสวด บ, บทเมตตาก็ได้สัปเพสัตตาอเวราหอนตุสัสพสัพสัตทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวณมีกรรมกันเถิดเนี่ยให้สวดไปอย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกโรธ ด, ด้วยเหตุการณ์ที่ทําให้เราโกโรธพอเราสวดไปชักระยะหนึ่งมันก็จะลืมไปแล้วความโ ก, โกรธก็จะหายไปคําถามจากผู้ฝากถาม หนูมีความสับสนเรื่องการพิจารณาอสุภะกรรมฐานกับปัญจกรรมฐานว่ามีการพิจารณาเพื่อประโยชน์ต่างกันเช่นไรจากที่เคยฟังเทศของพระอาจารย์อสุภะไว้พิจารณาเวลาเกิดกามราคะแต่ไม่แน่ใจในเรื่องของปัญจกรรมฐานว่าควรพิจารณาตอนไหนและเพื่อจุดประสงค์เช่นใดคะ อันเดียวกันนะปัญจกรรมฐานก็อาการ5ส่วนของร่างกายที่อยู่ภายนอกอันนี้เป็นกรรมฐานที่พระอุปัชฌายะจะสอนพระบวชใหม่ที่นี้จะสอนให้พิจารณาทั้งอาการส2มันเยอะเกินไปก็เลยบอกว่าเอาไป5อาการก่อนเอาไปเป็นหนังตัวอย่างก่อนว่านี่คือสิ่งที่พวกเธอที่มาบวชนี้จะต้องศึกษาทําความเข้าใจให้รู้จัก ว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยอาการอะไรบ้างแล้วเพื่อที่จะได้อพอพอบวชแล้วไปอยู่กับอาจารย์อาจารย์ก็จะสอนเพิ่มจากผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็จะให้เข้าไปลึกกว่านั้นเข้าไปเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับผังผืนก็จะเห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายในในทุกสั์ทุกส่วน ในสัตว์ส่วนที่ว่ามันไม่สวยไม่งามก็จะเห็นพอเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วมันลองแวะท้องออกมาดูก็จะเห็นลำส่งลำไส้เห็นอวัยว ะ, วะต่างๆก็จะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายที่มีซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นโครงกระดูกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นการสอนให้เราศึกษาความเป็นจริงของร่างกายว่ามัน ไม่สวยไม่งามมันสวยงามเฉพาะเวลาที่มีผิวหนังหุ้มห่ออยู่เท่านนั้นแม้แต่ผิวหนังที่หุ้มห่ออยู่นี้มันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากสวยเป็นไม่สวยได้เวลาถูกไฟครอกขึ้นมาไฟไหม้ขึ้นมาเนื้อหนังที่ผิวเรียบก็ากลายเป็นเนื้อหนังที่น่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมาได้อันนี้เป็นเครื่องสอนพระเพราะว่าพระนี้ต้องรักษาศีลโดยเฉพาะศีลข้อประราชิก คือการเสพกามนี่ถ้าไม่มีาการพิจารณาบรรจกรรมฐานหรืออาการสาสบสองนี้เดี๋ยวเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมามันไม่มีน้ําดับไฟนี่บรรจ ก, กรรมฐานหรืออาการสาสบสองอสุภะนี้เป็นเหมือนน้ําดับไฟการมราคะาะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ที่สั่งสอนพระที่บวชหม่ว่า นี่คืออาวุธของเธอถ้าเธออยากจะรักษาพรหมจารีของเธอไว้ถ้าเธอไม่อยากจะไปทำผิดศีลขั้นประหาชิกเธอต้องหมั่นพิจารณาอาการสาสบสองเริ่มต้นด้วยที่อาการห้าอาการแรกเช่นพิจารณาผมว่ามันเวลามันหนุ่มมันสาวมันเป็นยังไงเวลามันแก่ลงมันเป็นยังไงจากสีดามันกลายเป็นสีขาวจาก จากการที่มีผมแน่นหนาบุญศีษะก็เริ่มค่อยบางไปบางไปเดี๋ยวในที่สุดก็หายไปหมดเหลือแต่หนังศีษะหุมหุมหุมศีรษสีสะอยู่เท่านั้นเองอันนี้ให้พิจารณาเพื่อจะได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายเพื่อจะได้คลายความกำหนัดยินดีในร่างกายเฉพาะร่างกายของคนที่เรามีการอารมณ์ด้วย ดูร่างกายของเรามันไม่ดับกล้ามอารมณ์หรอกมันต้องดูร่างกายของดาราภาพยนต์หรือนางงามจั ก, กรวาลเนี่ยต้องพิจารณาดูให้เข้าไปลึกข้างในถ้าเห็นตับไตไส้พุงของนางงามจั ก, กรวาลก็จะได้ไม่หลงเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสอนให้พระรูปหนึ่งท่านไปไปดูศพของนางโสเภณีนางโสเภณีที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ว่ามีความสวยงามมากพอไปเห็นศพของนางสโสภณีการอารมณ์ที่ท่านเคยมีก็หายไปหมดอันนี้คือเป็นเครื่องม้าเครื่องมือในการใช้ในการดับกามอารมณ์แล้วก็เป็นการเป็นเครื่องมือให้เราเห็นความจริงว่านี่คือร่างกายในที่สุดก็จะต้องกลายเป็นซากศพไปร่างกายมันไม่เที่ยง พอมันเป็นซากศพแล้วมันก็ไม่มีคุณค่าราคาอะไรและมันจะต้องเป็นกับทุกคนถ้าเรารู้ว่าร่างกายของเราจะเป็นนี้เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้พอเวลาที่มันเป็นเราก็จะไม่ทุกข์เวลาไปหาหมอหมอบอกว่าใกล้จะเป็นซากศพแล้วนะอ๋อไม่เป็นไรกบผมรู้อยู่แล้วผมเตรียมตัวอยู่แล้วเตรียมต้อนรับมันอยู่แล้วเตรียมซื้อบ้านให้มันอยู่แล้วเตรียมเตรียมจองศาลาไว้อยู่แล้ว เตรียมทำพินิจพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้ว๋ยงเวลาก็ให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเพราะมันไม่ใช่ตัวผมผมไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ว่ามาให้มันอยู่กับผมไปตลอดถึง เ, เวลามันจะต้องไปก็ไปนี่คือประโยชน์ของการพิจารณาร่างกายว่าเป็นซากศพในอนาคตจะต้องกลายเป็นซากศพไปเพราะมันไม่เที่ยงมันอนิจจัง เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแต่ผมจะไม่กลัวมันเพราะผมรู้ว่าผมไม่ใช่มันผมเป็นเพียงแต่ผู้มาคอบครองรักษาได้มาจากพ่อจากแม่เท่านั้นเองได้มาขณะที่เกาะตัวอยู่ในท้องแม่ผมก็เข้าไปสถิตอยู่ในนั้นฮดวงวิญญาณที่ตายมาจากชาติก่อนที่ไม่มีร่างกายที่ยังกําลังหาร่างกายอยู่พอเจอร่างกายนี้มีช่องให้เข้าไปได้ก็เข้าไปเลยจับจองเป็นเจ้าของ แต่ก็เป็นเจ้าของได้ชั่วระยะหนึ่งพอหลังจากนั้นไม่นานร่างกายนี้ก็ต้องตายไปถ้ารู้ความจริงว่าเป็นอย่างนี้มันก็จะได้ไม่ไปไปหวาดกลัวไปทุกข์ไปยึดไปติด เ, เตรียมเตรียมที่จะจากกันเสมอถ้าพร้อมที่จะจากกันแล้วเวลาจากกันก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่พร้อมอยากจะอยู่กันไปตลอดเหมือนเป็นปลาท้องโกง่แ ย, ยกกันไม่ได้ เวลาแยกกันมันก็จะทุกข์นี่คือเหตุผลของการพิจารณาร่างกายพิจารณาเพื่อให้ปล่อยวางไม่เป็นหลงไปยึดไปติดให้เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวให้เห็นว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามให้เห็นว่ามันจะต้องเป็นสร้างศพแล้วก็จากสร้างศพก็กลายเป็นขี้เท่าเป็นเศษกระดูกไปนี่คือที่ไปของร่างกายของทุกๆคน คำถามจากคุณอัญญาหากเราทำงานไกลพ่อแม่แล้วตอนนี้แม่กำลังป่วยแต่เราไม่สามารถไปดูแลท่านได้ทุกวันเรากังวลก็กำหนดกังวลหนอกังวลหนอแต่ก็ไม่คลายความกังวลเราจะบาปไหมคะที่ไม่สามารถไปดูแลท่านได้และเราจะวางจิตและทำอย่างไรได้บ้างคะการไม่ได้ดูแลพ่อแม่ น, นี้ไม่ได้เป็นการกระทำบาป การกระทำบาปก็คือทุบตีพ่อแม่ด่าพ่อด่าพ่อด่าแม่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการกระทำบาปแต่การที่ไม่ได้ไปดูแลก็แสดงว่าไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ไม่ได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีเท่านั้นเองถ้าอยากจะมีความกตัญญูกะตะเวทีเราก็ต้องละสิ่งอื่นๆไปแล้วไปดูแลพ่อแม่อยู่ที่เราต้องการอะไรถ้าเรา ต้องการงานการที่เราทำอยู่เราก็ไปไม่ได้ถ้าเราต้องการความกระตันยูกระตเวทีเราก็ลาออกจากงานไปหรือลางานชั่วคราวไปเป็นพักๆไปไปเท่าที่เราไปได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราถ้าเราไม่ทาอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะกังวลอยู่อย่างนี้กังวลว่าพ่อแม่เป็นอะไรแล้วเราไม่ไปดูแล เขาเพราะว่าเรายังติดอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เราไม่กล้าทิ้งมันไปไม่กล้าปล่อยมันไปยังเสียดายยังรักมันแสดงว่าเรารักสิ่งต่างๆมากกว่าเรารักพ่อรักแม่ของเราเราจริงต้องมีความกังวลเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราทําอะไรไม่ถูกต้องอันนี้ก็มันก็มีวิธีที่ดูแลพ่อแม่ได้หลายวิธีด้วยกันไม่ได้ไปด้วยตัวเองก็ได้ เพราะว่าอาจจะมีความจนเป็นจริงๆที่ไปไม่ได้เพราะต้องเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูครอบครัวมีหน้าที่การงานหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่มีเงินก็ส่งไปได้นี่ส่งเอาเงินไปแล้วก็ให้เขาไปจ้างคนทําหน้าที่แทนเราก็ได้แล้วเราก็ไปเฉพาะวันที่เราไปได้อย่างนี้ก็ก็ถือว่าเรายัางได้มีการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อยู่ แล้ววกก็จจะไม่นนใคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคุณป้าหนูอายุ70ตอนนี้มีปัญหาสุขภาพเนื่องจากล้มทำให้ไม่สามารถนั่งสมาธิในท่านั่งขัดสมาธิได้ต้องนั่งบนเก้าอี้ทำให้ไม่มั่นใจและรู้สึกไม่สงบขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำวิธีการปฏิบัติ สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถปฏิบัติได้เหมือนคนทั่วไปค่ะออการปฏิบัติจริงๆไม่ได้อยู่ที่ท่าของร่างกายอยู่ที่สติถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งห้อยเท้าก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ข้อสําคัญอยู่ที่ว่านั่งแล้วมีสติแล้วไม่มีสติถ้านั่งขัดสมาธิไม่มีสติแล้วนั่งห้อยเท้ามีสตินั่งห้อยเท้ามีสติจะได้ผลกว่าผลไม่ได้อยู่ที่ท่านั่ง ผลอยู่ที่สติมีหรือไม่มีดังนั้นไม่ต้องไปกังวลกับท่านั่งมากจนเกินไปแต่ถ้าสมมุติว่ามีสติทั้งสองท่าท่านั่งขัดสบะนี้มันจะดีกว่าเพราะจะนั่งได้ที่นั่งได้ค่อนข้างที่จะมั่นคงร่างกายมันจะไม่เอ็นไปเอ็นมาถ้านั่งห้อยเท้านี้บางทีมันอาจจะเอ็นไปเอ็นมาได้ง่ายกว่ามันก็อาจจะรู้สึกนั่งไม่ ไม่สบายเหมือนกับนั่งขัดสบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งเป็นหลัก อ, อยู่ที่สติเป็นหลักถ้ามีสตินอนนอนสมาธิไปก็ได้ถ้ามีสตินี้นอนไม่หลับหรอกถ้ามีสติกำลังมากนี่มันจะไม่หลับเดังนั้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอิรยาบถของร่างกายถ้านั่งในท่าที่ดีได้ก็นั่งไปถ้านั่งไม่ได้ก็นั่งในท่าที่มันลองลงมาก็แล้วกัน ถ้านั่งไม่ได้เลยก็นอนก็ได้พ่อพระพุทธเจ้ายัางบรรลุตอนที่นอนอยู่บนเตียงเลยตอนที่จะตายก่อนจะตายเจวันมันการบรรลุไม่ได้บรรลุที่ร่างกายมันบรรลุที่ใจบรรลุ ด, ด้วยสติปัญญาอพระพุทธเจ้าไปสอนปัญญาสอนสอนให้สร้างสติสอนให้สร้างปัญญาพอท่านสร้างสติสร้างปัญญาได้ท่านก็บรรลุได้หมดพอดีนะ อาจารย์เมื่อสักครูปพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของการสร้างเหตุอยากถามพระอาจารย์ว่าเวลาที่เราสวดมนต์เจริญกรรมฐ า, านการสวดมนต์ประมาณแค่ไหนในแต่ละวันที่ที่เป็นกุศลที่ที่ถูกต้องค่ะอ๋อยิ่งมากเท่าไหร่อ <laughs> นุโมทนาบุญค่ะมีมีคำถา ม, หมไหมหมดแล้วใช่ไหมเข้าใจไหม เหมือนกับการรับประทานอาหารนะยิ่งรับประทานยิ่งมากเท่าไหร่ก็ร่างกายก็จะยิ่งเจริญเติบโตมากขึ้นไปเท่านั้น แ, แล้วการการสวดมนต์ไม่ทราบว่าต้องสวดประมาณแค่ไหนคะ่ะก็เท่าที่เราจะมีกําลังสวดสวดได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะยิ่งสวดได้นานจิตก็จะยิ่งสงบยิ่งแน่นขึ้นไปแต่ต้องสวดแบบมีสติน ะ, ะไม่ใช่สวดไปแล้วก็คิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนนั้นคนนี้ถ้าสวดแบบนั้นสวดกี่ชั่วโมงก็จะไม่มีผลอะไร ต้องสวดอย่างเดียวไม่คิดถึงเรื่องต่างๆถ้าอย่างนั้นแล้วจิตมันจะสงบแล้วถ้าเราคิดว่าอยากจะหยุดสวดเราก็หยุดสวดแล้วเรานั่งดูลมหายใจต่อไปก็ได้คเคยสวดธรรมจักรกับประวัตนะสูตรก่อนหน้านยังไม่เคยทราบก็จะสวดวันหนึ่งประมาณห้าจบเนี่ยแต่เคยมีพระอาจารย์ที่ร่าเปิงที่เชียงใหม่เคยแนะนาว่าการสวดให รู้ความหมายแล้วก็เอาไปปฏิบัติตรงนั้นจะได้อานิสงส์มากกว่าออมันมีสอ ง, สองแบบไงการสวดแบบไม่มีไม่รู้ความหมายแต่สวดเพื่อให้มีสตินี่เรียกว่าเป็นการฝึกสติฝึกสมาธิส่วนการสวดเพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายนี่เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญามันเป็นคนละขั้นตอนกันขั้นตอนแรกเราต้องการฝึกสติฝึกสมาธิก่อน เมื่อเราได้สติสมาธิแล้วเราค่อยมาแปลความหมายของสิ่งที่เราสวดแล้วเราจะได้เอาความหมายนั้นมาใช้กับการปฏิบัติคือการจเจริญปัญญาต่อไปมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมอ่าอ่าสว่างงั้นก็กลับบ้านเนีงง่ย งไม่หมดแ ต, ต น, นี้สว่างเยอะเลยอ้าวคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอเชิญให้ท่านนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด <c oughs>